บุ๊กทูหกสิสามตรการตั้งคาถามสองจ а ด а วยสปิทันย์ดิฉันมีงานอดิเรก У ูเ н ญี่ยูสทูบ и ดิฉันเล่นเทนนิส Я гуляю งเท н นิสสนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะเจเทน н ิสในแพร่สุกค่ะคุณมีงานอดิเรกไหมอุจเบีย т ь х ทูบิดิฉันเล่นฟุตบอลฉันวิ่ у ฟุตบอลสนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ ДЕ ฟุตบ о ลใน а я п л สุกค к а ดิฉันเจ็บแขอนอูเมญีบาลิทรุกาดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วยอูเมีมาสตูปเนีอิกิสทรุมีคุณหมออยู่ไหมคะจียูสต์ด็เตอร์ดิฉันมีรถอูเมญียูสต์อัตโตมบิล ดิฉันมีจั ก, กรยานยนต์ด้วยอูเมักซามายูสมอตซดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะเตสัยยันกดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์เยวีทตอร์ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยียนด้วยอูเมยูสกูอีซ เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะเี๊ยบเรนเน่มาชินะดิฉันมีจาน у м เ н นี่ย ь สต์เต к ลกดิฉันมีมีดซอมและช้อน у м เ н นี่ย ь โนชวิดเดเลตสล шка เกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะยสโอร